เหตุใ ด, ดสติที่ตามทันขณะปัจจุบันจึงเป็นหลักสำคัญของวิปัสสนากิจกรรมสามัญที่สุดของทุกทุกคนซึ่งเป็นอยู่ไปตลอดเวลาในชีวิตประจำวันก็คือการรับรู้อารมณ์ต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อมีการรับรู้ก็มีความรู้สึกพร้อมไปด้วยคือสุขสบายบ้าง ทุกระคาเจ็บปวดไม่สบายบ้างเฉยๆบ้างเมื่อมีความรู้สึกสุขทุกข์ก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในใจด้วยคือถ้าสุขสบายที่สิ่งใดก็ชอบใจติดใจสิ่งนั้นถ้าไม่สบายได้ทุกข์ที่สิ่งใดก็ขัดใจไม่ชอบสิ่งนั้นเมื่อชอบก็อยากรับรู้อีกอยากเสพซ้ำหรืออยากได้อยากเอา เมื่อไม่ชอบก็เลี่ยงหนีหรืออยากกาจัดอยากทําลายกระบวนการดังกล่าวนี้ดำเนินไปตลอดเวลามีทั้งอย่างแผ่วๆที่ผ่านไปโดยไม่ได้สังเกตลาที่แรงเข้มสังเกตได้เด่นชัดมีผลต่อจิตใจยอย่างชัดเจนและสืบเนื่องไปนานส่วนใดแรงเข้มหรือสะดุดชัด ก็มักชักให้มีความคิดปรุงแต่งยืดเยื้อเยินเย้อออกไปทําไมสิ้นสุดที่ในใจก็ผลักดันให้แสดงออกมาเป็นการพูดการกระทำต่างๆทั้งน้อยและใหญ่ชีวิตของบุคคลบทบาทของเขาในโลกและการกระทำต่อการระหว่างมนุษย์ย่อมสืบเนื่องออกมาจากกระบวนธรรมะน้อยๆที่เป็นไปในชีวิตแต่ละขณะแต่ละขณะนี้เป็นสำคัญ ในทางปัญญาการปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามกระบวนธรรมะข้างต้นนั้นคือเมื่อรับรู้แล้วรู้สึกสุขสบายก็ชอบใจติดใจเมื่อรับรู้แล้วรู้สึกทุกข์ไม่สบายก็ขัดใจไม่ชอบใจข้อนี้จะเป็นเครื่องกีดกั้นปิดบงังทำให้ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงหรือตามสภาวะที่แท้ของมันทั้งนี้เพราะจิตใจที่เป็นไปเช่นนั้น จะมีสภาพต่อไปนี้ข้องอยู่ที่ความชอบใจหรือความขัดใจตกอยู่ในอำนาจของความติดใจหรือขัดใจนั้นถูกความชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นเคลือบคลุมทำให้มองเห็นเองเอียงไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ตรงตามที่มันเป็นจริงตกอดีตหรือลอยอนาคตกล่าวคือ เมื่อคนรับรู้แล้วเกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจจิตของเขาจะคล่องหรือขัดอยู่น่าส่วนหรือจุดหรือแง่ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจของอารมณ์นั้นแล้วจับเอาภาพของอารมณ์นั้นณ่าจุดหรือส่วนหรือแง่ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นเก็บค้างไว้หรือเอาไปทนุถนอมหรือคิดปรุงแต่งหรือฝันฝ้ามต่อไป การคล้องอยู่ที่ส่วนใดก็ตามซึ่งชอบใจหรือไม่ชอบใจและการจับอยู่กับภาพของสิ่งนั้นซึ่งปรากฏอยู่ในใจของตนคือการเลื่อนไหลลงสู่อดีตการคิดปรุงแต่งต่อไปเกี่ยวกับสิ่งนั้นคือการเลื่อนลอยไปในอนาคตความรู้ความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็คือภาพของสิ่งนั้น นาจุดหรือตอนที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจหรือซึ่งเขาได้คิดปรุงแต่งต่อไปแล้วไม่ใช่สิ่งนั้นตามที่มันเป็นของมันเองในขณะนั้นๆตกอยู่ในอำนาจของความคิดปรุงแต่งจึงแปลความหมายของสิ่งที่รับรู้หรือประสบการณ์นั้นๆไปตามแนวทางของภูมิหลัง หรือความเคยชินที่ได้สั่งสมไว้เช่นค่านิยมทัศนคติหรือทิฏฐิที่ตนยึดถือนิยมเชิดชูเรียกว่าจิตตกอยู่ในภาวะถูกปรุงแต่งไม่อาจมองอย่างเป็นกลางให้เห็นประสบการณ์ล้วนๆตามที่มันเป็นนอกจากถูกปรุงแต่งแล้วก็จะนาเอาภาพปรุงแต่งของประสบการณ์ใหม่นั้น เข้าไปร่วมในการปรุงแต่งต่อไปอีกเป็นการเสริมซ้ำการสั่งสมนิสัยความเคยชินของจิตให้นั่นหนายิ่งขึ้นความเป็นไปเช่นนี้มีใจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องห ย, ยาบๆตื้นๆนในการดาเนินชีวิตและทำกิจการทั่วไปเท่านั้นแต่ท่านมุ่งเน้นกระบวนของจิตในระดับละเอียดลึกซึง้ง ที่ทำให้ปุถุชนมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นของคงที่เป็นชิ้นเป็นอันมีสวยงามน่าเกลียดติดในสมมติต่างๆไม่เห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ดำเนินอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ดีกระบวนการธรรมะเช่นนี้เป็นความเคยชินหรือนิสัยของจิตที่คนทั่วไปได้สั่งสมกันมาคนละนานนนเกือบจะว่าตั้งแต่เกิดทีเดียว20่สถึงสสิปีบ้าง 4 0ถึงหปีบ้างเกินกว่านั้นบ้างและไม่เคยหัดตัดวงจรลบกระบวนการมาเลยการจัดการแก้ไขจึงไม่ใช่จะทำได้ง่ายนักในทันทีที่รับรู้อารมณ์หรือมีประสบการณ์ยังไม่ทันตั้งตัวที่จะยั้งกระบวนจิตก็แล่นไปตามความเคยชินของมันเสียก่อนดังนั้นการแก้ไขในเรื่องนี้ จึงไม่ใช่จะเพียงตัดวงจรล้างกระบวนธรรมะนั้นลงเท่านั้นแต่จะต้องแก้ไขความเคยชินหรือนิสัยที่ไหลแรงไปข้างเดียวของจิตอีกด้วยองค์ธรรมสำคัญที่จะใช้เป็นตัวเบิกทางและเป็นหลักรวมพลทั้งสองกรณีนั้นก็คือสติการปฏิบัติตามหลักสติปทานก็มีวัตถุประสงค์อย่างนี้กล่าวคือ เมื่อมีสติตามทันขณะปัจจุบันและมองดูสิ่งนั้นๆตามที่มันเป็นอยู่ในขณะนั้นๆตลอดเวลาย่อมสามารถตัดวงจรทำลายกระบวนธรรมะฝ่ายอากุศลลงได้ด้วยค่อยๆแก้ไขความเคยชินเก่าๆพร้อมกับสร้างแนวนิสัยใหม่ให้แก่จิตได้ด้วยจิตที่มีสติช่วยกำกับให้ตามทันอยู่กับขณะปัจจุบัน จะมีสภาพตรงข้ามกับจิตที่เป็นไปตามกระบวนธรรมะข้างต้นคือความชอบใจหรือขัดใจไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะการที่จะชอบใจหรือขาดใจจิตจะต้องคล่องขาดอยู่ณจุดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งและชะงักค้างอยู่คือตกลงไปในอดีตจิตที่มีสติช่วยกำกับจะไม่เลื่อนไหลลงไปในอดีต ไม่เลื่อนลอยไปนในอนาคตความชอบใจไม่ชอบใจกับการตกอดีตเป็นอาการที่เป็นไปด้วยกันเมื่อไม่ติดไม่ค้องไม่ค้างอยู่ตามดูทานอยู่กับสภาวะที่กำลังเป็นไปอยู่การตกอดีตลอยอนาคตก็ไม่มีจิต ท, ท, ที่มีสติช่วยกากับจะไม่ถูกความคิดปรุงแต่ง เนื่องด้วยภูมิหลังที่ได้สั่งสมไว้ชักจูงให้แปลประสบการณ์หรือสิ่งที่รับรู้ให้เอียงเอียงบิดเบือนหรือย้อมสีไปตามอำนาจของมันพร้อมที่จะมองไปตามสภาวะของสิ่งนั้นๆจิตที่มีสติช่วยกํากับจะไม่ปรุงแต่งเสริมซ้ำหรือเพิ่มกําลังแก่ความเคยชินผิดๆที่จิตได้สั่งสมเรื่อยมา จิต ท, ที่มีสติช่วยกำกับเมื่อตามรู้ดูทานทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันทุกขณะก็ยอมได้รู้เห็นสภาพจิตนิสัยเป็นต้นของตนเองที่ไม่พึงปรารถนาหรือตอนเองไม่ยอมรับปรากฏออกมาด้วยทำให้ได้รับรู้สูนาเผชิญสภาพที่เป็นจริงของตนเองตามที่มันเป็นไม่เลี่ยงหนีไม่หลอกลวงตนเองและทำให้สามารถชาระล้างกิเลสเหล่านั้น แก้ปัญหาในตนเองได้ด้วยนอกจากนั้นในด้านคุณภาพจิตก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสโรง่งเบิกบานเป็นอิสระไม่ถูกบีบจำกัดให้คับแคบและไม่ถูกเคลือบคลุมให้หมองมัวสิ่งทั้งหลายตั้งอยู่ตามสภาพของมันและเป็นไปตามธรรมดาของมันพูดเป็นภาพพจน์ว่า ความจริงเปิดเผยตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่มนุษย์ปิดบังตนเองจากมันหรือไม่ก็มองภาพของมันบิดเบือนไปหรือไม่ก็ถึงกับหลอกลวงตัวของมนุษย์เองด้วยการที่ปิดบังบิดเบือนหรือหลอกลวงก็คือการตกลงไปในกระแสของกระบวนธรรมะดังเด็กเล่าข้างต้นเรื่องปิดบังบิดเบือนหรือหลอกก็มีอยู่แล้ว ยิ่งความเคยชินคอยชักลากให้เควไปซะอีกโอกาสที่จะรู้ความจริงก็แทบไม่มีในเมื่อความเคยชินหรือติดนิสัยนี้มนุษย์ได้สั่งสมต่อเนื่องกันมานานนักหนาการปฏิบัติเพื่อแก้ไขและสร้างนิสัยใหม่ก็ควรจะต้องอาศัยเวลามากเช่นเดียวกันเมื่อใดสติตามทันทำงานสม่าเสมอต่อเนื่องอย่างชนานาญ คนไม่ปิดบังตัวเองไม่บิดเบือนภาพที่มองและพ้นจากอำนาจความเคยชินหรือนิสัยเก่าของจิตแล้วเมื่อนั้นก็พร้อมที่จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันแล้วรู้เข้าใจความจริงถึงตอนนี้ถ้าอินทรีย์อื่นๆโดยเฉพาะปัญญาแก่กล้าพร้อมดีอยู่แล้วก็จะร่วมงานโดยอาศัยสติคอยเปิดทางให้ทางานได้เต็มที่ ทำให้เกิดญาณทัศนะความอย่างรู้อย่างเห็นตามเป็นจริงที่เป็นจุดหมายของวิปัสสนาแต่การที่ปัญญีสีเป็นต้นจะพร้อมหรือแก่กล้าได้นั้นย่อมอาศัยการฝึกฝนอบรมมาโดยลาดับรวมทั้งการเล่าเรียนสดับฟังในเบื้องต้นด้วยการเล่าเรียนสดับฟังและการคิดเหตุผลเป็นต้น จึงมีส่วนเกือ้อกูลแก่การรู้แจ้งสัจธรรมได้